อยต่าลงมาอีกจนดูคล้ายจะเอื้อมมือแตะสัมผัสได้ถึงบัตรนี้ปรากฏแสงแดงเรืองประดุดย้อมไว้ด้วยสีโกเมนหมุนมัวลงไปทุกขณะแสดงว่าทิวาการใกล้จะอำลาจากเต็มทีแล้วแววตาในกรอบลึกของมนุษย์ต้นประวัติศาสตร์ที่แลกราดมาอย่างทุกคนฉายแสงแห่งความปรีดาชื่นชมและเป็นมิตรอันสนิทใจยิ่ง สุริยเทพใกล้จะอำลาจากฟ้าฟ้าแล้ววายาได้เอ่ยขึ้นกับคณะอาคันตุกะเป็นความหมายที่ทุกคนเข้าใจได้ชัดเจนที่สุดโดยไม่อาจระบุได้ว่ามันเป็นภาษาใดณนะบัดนี้วายาขอเชิญเหล่าท่านได้พำนักพักกายอยู่ณนะทุ่งหญ้าน้อยภายใต้วงล้อมของภูผานี้ก่อนเทิดสักราตรีหนึ่ง กอเมื่ออรุณรุง่งวายาจะนำคณะของท่านมุ่งสู่นครนิลการอันอยู่ไม่ห่างไกลออกไปนักเดินทางเพียงชั่วระยะเวลาตะวันลอยฟ้าตรงศีรษะก็จะถึงแล้วเราท่านจะได้เข้าพำนักในสถานถิ่นของวายาและได้นมัสการพระอรหันตเจ้าเหมือนเมื่อครั้งก่อนนั้นราตรีนี้ เหล่าท่านมิพักต้องวิตกกังวลต่อสิ่งใดทั้งสิ้นโผยภัยพยันตรายใดๆจะกล่ำกลายเข้ามามิได้เลยวายานีลาและไพร่พลลิงเหล่านี้จะเฝ้าอยู่คอยพิทักษ์คุ้มครองดูแลให้ขอบใจท่านเหลือเกินวายาที่ได้เอื้อฟื้อเยี่ยมมิตรเก่าอันประเสริฐเฉถาตอบอย่างชื่นใจ ขนาะนั้นทั้งหมดได้ชุดกายลงนั่งอยู่เหนือพื้นหญ้านุ่มราวกะกรรมยีอันเตรียมเป็นสถานที่พักแรมคืนทุกคนมีความรู้สึกเป็นสุขและอบอุ่นใจยิ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ออกเดินทางพวกเราทั้งหมดยินดีในคําเชิญชวนของท่านนะวายาเพราะมันก็เป็นสิ่งที่เราเองก็ปรารถนาอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้คิดฝันว่าจะมาพบกับพวกท่าน กลางทางรอคอยรับอยู่เราตั้งใจไว้แต่แรกแล้วที่จะไปพบท่านให้ได้และจะต้องไปกราบรมัสการมหาฤาษีโกนธัญญะท่านและพวกท่านมีความสุขสบายดีเหรอนับแต่เราทั้งสองฝ่ายได้แยกจากกันในครั้งนั้นมีเหตุเพศภยัยใดๆมาราวีท่านและไพรพลของท่านอีกอย่างใดหรือไม่ละ่ะประโยคหลังเขาถามถึงสารทุกข์สุขดิบ แววตาของเจ้าผู้ครองนครวานอนมีรอยยิ้มจากใบหน้าผิวนอกที่แลดูเรียบเฉยแข็งกระด้างปานหินผาท่านผู้เจริญวายาและชาวนิลการทุกตนมีความสงบสุขดีตามอัตภาพไม่มีภัยใดมาราวีอีกเลยนับแต่พวกท่านได้จากไปแล้วในครั้งนั้น บาดแผลของวายาที่นายหญิงน้อยและพวกท่านทั้งหลายได้ช่วยกันรักษาให้ก็ได้หายเป็นปกติแล้วพวกท่านได้เดินทางมาอีกในครั้งนี้ด้วยจุดประสงค์อันใดวายามิได้คิดว่าท่านเพียงแต่หวนกลับมาเยี่ยมเยียนนครนิลการของพวกเราแต่ประการเดียวเท่านั้น คำถามประโยคสุดท้ายของจอมวานอนทาเอาคณะทั้งหมดมองดูหน้ากันเองและอึ้งกันไปช่วงขณะแม้แต่ดารินเองก็ยังไม่อาจจะปริปากออกมาได้ในขณะนั้นลอนรู้สึกว่าหวิวในหัวใจยังไงบอกไม่ถูกคำพูดของวายามันบ่งให้ทราบชัดเจนดีที่สุดว่าเจ้าผู้ครองนครลิงดำ หาได้ล่วงรู้หรือระแคะระคายใดๆในคณะเดินทางของรพินไพรวันเลยแม้แต่น้อยนิดสหายวายาในที่สุดอนุชาวราริตหรืออดีตพรานชดุดผู้ซึ่งครั้งหนึง่งได้เคยไปนอนป่วยอยู่ในนครลิงภายใต้การอนุเคราะห์ช่วยเหลือของมนุษย์ดึกดำบรรและไพ่พลลิงของเขาก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วตํา สหายวายาเราขอสอบถามท่านอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็สั้นที่สุดนะนั่นก็คือท่านได้พบเห็นพรานใหญ่ระพินนำคณะของเขาผ่านมาในเขตแดนที่ท่านปกครองอยู่นี่บ้างหรือไม่ละ่ะพรานใหญ่ระพินเหรอวายาทวนคำหางเสียงช ง, งนมองหน้าอดีตพรานชด แล้วกว่าตาแลไปยังทุกคนซึ่งขณะนี้จ้องคำเหม่งมาเป็นตาเดียวนอกจากคณะของพวกท่านที่มานี่แล้วว่ายาไม่เคยได้พบเห็นหรือได้ข่าวคร า, าวใดๆของพรานใหญ่คนนั้นเลยเหตุใดท่านจึงถามเช่นนี้ละ่ะอนุชามเม้มริมฝีปากอย่างผิดหวังชายันจริงๆบอกมาว่า ท่านใหญ่รพินน่ะเขาได้ออกเดินทางมาก่อนพวกเราเจ็ดวันเราแน่ใจว่าพวกเขาบ่ายหน้าเข้าสู่เทือกเขาพระศิวะและหน้าที่จะต้องผ่านขุนเขานิลการเขาไม่ได้แวะนครของท่านหรือท่านไม่ได้รู้ข่าวคร า, าวบ้างเลยเหรอว่าเขาเดินเฉียดผ่านเข้ามาในละแวกใกล้เคียงเขามากันเป็นคณะใหญ่นะจํานวนถึงยี่สิบคนตอนนี้เราทั้งหมดกาลังติดตามหาเขาอยู่ โดยเข้าใจว่าพวกเขาน่าจะต้องแวะผ่านมาที่แดนของท่านวายาสันศีษะไปมาอย่างเช่มช้าตอบเสียงลึกในลำคอวายาไม่ได้เห็นไม่ได้ข่าวใดๆของพราะใหญ่ผู้นั้นอีกเลยภายหลังจากที่เขาได้นำพวกท่านพระจกักขุนเขานิลการไปในครั้งนั้นแล้ว ไพรพลิงของวายาก็ไม่มีตนใดพบเห็นถ้าเห็นวายาก็ต้องรู้ด้วยน่าประหลาดที่ท่านบอกว่าเขาจะมุ่งไปที่เทือกพระศิวะอีกครั้งและล่วงหน้ามาก่อนพวกท่านถึงเจ็ดวันเขาจะไปที่นั่นด้วยเหตุอันใดอีกละ่ะวายาย้อนถามเอาบ้างเอาละเอาละวายา ถ้าอย่างนั้นเราจะขอถามอีกสักข้อนะท่านหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นโดยไม่ตอบคำาย้อนถามของวายาเราอยากจะถามท่านว่าท่านได้พบเห็นนกใหญ่ใหญ่มากเป็นนกเหล็กร่วงหล่นมาจากท้องฟ้าตกอยู่ในเขตแดนของท่านบ้างไหมจอมวานอนสั่นศีรษะอีกครั้งไม่มี ไม่มีนกเหล็กลนลงมาในอาณาบริเวณของเมืองวายาเลยและไม่มีไม่ว่าจะในเขตแดนใดที่วายาล่วงรู้ดาริงใช้นิ้วทั้งสองกดเปลือกตาพร้อมกระถอนใจเฮือแล้วสะบัดหน้าเบาๆลืมตาขึ้นบอกกระพักพวกทุกคนว่าตรงตามที่น้อยบอกไว้ก่อนล่วงหน้าใช่ไหมคะ เครื่องไม่ได้ตกอยู่ในแถบของภูเขาในลการและระพินก็ไม่ได้ผ่านเข้ามาในละแวะกเมืองของวายาเลยสังหรณ์ของน้อยตรงหมดทุกอย่างเทศฐาตบไหลน้องสาวเบาๆอย่างปลอบใจอนุชากล่าวกับ ว, วายาต่อไปว่าวายาเป็นอันว่าพรุ่งนี้เราจะแวะเข้าไปในเมืองของท่านก่อน ภายหลังจากกราบนมัสการมหาฤาษีโกนธัญญาแล้วเราก็จะออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่เทือกพระศิวะโดยพยายามไปให้ถึงโดยเร็วที่สุดท่า น, นเป็นผู้รู้หนทางดีท่านจะช่วยนำทางให้แก่พวกเราได้ไหมขอให้นำพวกเราไปให้ถึงเนินพระจันทร์เท่านั้นแหละหลังจากนั้นเราจะหาทางตัดขึ้นเทือกพระศิวะเอง ฟ้ามืออันใหญ่มาคมาเกินมนุษย์ปุถุชนของวายาเอื้อมมาแตะที่หัวเข่าของอนุชาวายาจะนําพวกท่านไปไปให้ถึงเนินพระจันทร์ตามที่ท่านต้องการจะไปส่งท่านจนถึงที่นั่นจะให้นีลาและพลลิงช่วยแบกสัมภาระข้าวของไปให้พวกท่านด้วยโดยมิพักต้องให้พวกท่านนะแบกใหหนัก ท่านจะได้กังวลไปเลยนี่คือสัจจะวาจาแต่พวกท่านจะต้องแวะทําำนักอยู่ในนครนิลการอย่างน้อยหนึ่งราตรีตามคํเชิญของวายาราตรีนี้เป็นราตรีที่อบอุ่นมั่นใจที่สุดของคณะเดินทางฝ่ายเชดิดาฝ่ายกองใหญ่ถูกก่อขึ้นยังตำแหน่งที่ยึดเอาเป็นที่พัก ซึ่งแน่ใจที่สุดว่าจะปลอดจากพิบัติภัยทั้งปวงไม่ว่าจะธรรมชาติหรือสรรพสัตว์ายกองกําลังของวายาส่วนหนึ่งได้เข้ามาแวดล้อมเป็นเพื่อนแรมคืนอยู่ด้วยส่วนอีกส่วนหนึ่งกระจายออกไปลาดระเวนในรัศมีโดยรอบเพื่อเฝ้าพิทักษ์ระวังเหตุผลละหมากรากไม้หัวเผือกหัวมันอันเป็นสเสบียงถูกกองทัพลิงดาเหล่านั้นขนมาจากไหนไม่ทราบ บัดนี้ได้นำมาสุมกองไว้ให้ฝ่ายอาคันตุกะอันเป็นมิตรเก่ามากมายเกินพอและตัวจอมวานนเองคือวายาก็เข้ามานั่งร่วมเสวนาปราศัยสนทนาอยู่กับคณะทั้งหมดริมกองไฟที่ก่อไว้นั้นด้วยปล่อยให้ลิงใหญ่นีลาคุมเหล่าพล ล, ลิงทั้งหลายทําหน้าที่เป็นยามรายล้อมอยู่รอบนอกทุกคนของฝ่ายเชษฐาตระหนักดีว่า พวกลิงดำที่ยกกันมาเหล่านี้เป็นแต่เพียงกองกำลังส่วนหนึ่งของนครนิลการเท่านั้นเพราะล้วนมีขนาดใหญ่เต็มที่แข็งแรงชะกันเช่นเดียวกับทหารลิงทั้งหลายใคร่พลส่วนใหญ่อันเป็นประชากรทั้งหมดคงจะรอคอยกันอยู่ในเทือกเขานิลการแบบเดียวกับชมรมของมนุษย์ที่มีบ้านเมืองถิ่นฐานของตนเป็นหลักแหล่งทุกคนรู้ว่าจุดหมายปลายทางแห่งการเดินทาง ใกล้เข้ามาแล้วแต่ต่างก็ผิดหวังในข้อที่ว่าไม่อาจจะระแคระคายร่องรอยการเดินทางของรพินไทรวันไดเลยไม่ทราบว่าเขาตัดมาในเส้นทางด้านใดและขณะนี้อยู่ที่ไหนความหวังที่ว่าเมื่อได้พบกับวายาหรือไปถึงภูเขานิลการแล้วอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องได้ข่าวของรพินบ้างบัดนี้ประาศนาการไปหมดสิ ปัญหาที่ฝ่ายของเชษฐาจะต้องคบคิดหนักในขณะนี้ก็คือรพินรู้ได้ยังไงว่าเครื่องบีห้าสิบสองลำนั้นไม่ได้ตกอยู่ในละแวกใกล้เคียงเมืองของวายาจึงไม่ตั้งเข็มบ่ายหน้าเข้ามานั่นประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งก็บังเกิดความกังขาว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ในกรณีที่ว่าพรานใหญ่เองก็มีเจตนาที่จะมุ่งตรงเข้ามา ที่เมืองของวายาเช่นกันหากมัวแต่ไปอ้อมระยะทางหลงพลัดอยู่เสีที่ไหนทำให้ต้องเสียเวลาไปโดยยังเดินทางมาไม่ถึงข้อปัญหาเหล่านี้ได้ถูกนำขึ้นมาปรึกษาหารือถกเถียงกันเองระหว่างเชษฐาอนุชาชยยันและหนานอินส่วนดารินไม่ออกความเห็นใดๆในเรื่องนี้เลย ปล่อยให้พี่ๆคบคิดใคร่ครวนกันเองเพราะหลอนก็ได้เคยบอกกับคนเหล่านั้นไว้ก่อนแล้วว่าต่อให้เดินทางถึงภูเขานินลการแล้วและได้พบกับวายาแล้วก็ไม่มีวันที่จะทราบข่าวใดๆของระพินทั้งสิน้นเพราะเขาจะไม่ผ่านเข้ามาในเขตแดนนี้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าการที่ได้ข่าวบอกไว้ล่วงหน้าแล้วจากแง่ทรายเป็นความจริง โดยไม่ได้เกิดจากอาการประสาทหลอนของตนเองและเหตุการณ์มันก็ชี้บ่งว่าเป็นความจริงแน่ชัดอยู่แล้วณนะบัดนี้ในสิ่งลี้ลับอันบังเกิดขึ้นเฉพาะตัวหลอนเพียงคนเดียวโดยที่บุคคลอื่นที่ร่วมคณะไม่อาจรับทราบด้วยได้การที่หลอนได้พบปะสนทนาการแง่ทรายในความฝันก็ดีหรือการที่หลอนมองเห็นเงาของแง่ทายเดินนามาตลอดทางของวันนี้ ยนได้มาพบกับกองกำลังของวายาที่ดักรอคอยอยู่แล้วก็ดีลวนเป็นสิ่งที่หลอนไม่อาจบอกความจริงให้พักพวกคนใดมารับรู้ได้ด้วยเลยหลอนบอกไม่ได้จริงจริงเพราะมันเป็นปรากฏการณ์พิสดารเหนือธรรมชาติที่หลอนเองก็อธิบายไม่ได้และบัตรนี้หลอนปลงใจเชื่อได้สนิทแล้วว่าแง่ท า, ายได้ทรงกระแสจิตอันทรงพลัง เข้ามาสนทนาบอกข่าวแกหลอนรวมทั้งเป็นสื่อนำทางของหลอนในวันนี้จนสามารถพบปะ ก, กับวายาและพวกลิงดำทั้งหลายได้เพื่อหลอนบรรลุเป้าหมายภูเขานิลการเป็นอันดับแรกแง่สายผู้ไม่เคยทอดทิ้งนายหญิงไม่ว่าหลอนจะอยู่ที่ไหนอย่างไรจะคอยทำหน้าที่ส่งข่าวและช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาทุกระยะ ตั้งแต่ต้นมาแล้วถ้ามีเหตุการณ์ร้ายเกี่ยวกับระพินไพรวันระหว่างที่เชษฐานและอนุชาพูดจาสนทนาอยู่กวายาจะมีก็แต่เพียงชายันคนเดียวเท่านั้นที่หันมาจับจ้องพิจารณาอาการอ น, นั่งกอดเขานิ่งซึมของหล่อนแล้วก็บอกมาเบาๆว่าน้อยที่เธอบอกไว้ก่อนล่วงหน้า เป็นความจริงหมดทุกอย่างเลยรพินไม่ได้ผ่านเมืองของวายาแล้วก็ไม่มีข่าวตกของบีห2ในบริเวณนี้แต่เราก็ยังสงสัยอยู่ว่ารพินก็อาจจะมุ่งมาที่นี่เหมือนกันเพียงแต่ยังเดินทางมาไม่ถึงหญิงสาวสันศีสะแช่มชาฝืนยิม้มเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะหวังอย่างนั้น รพินรู้เส้นทางดีกว่าเราออกเดินทางล่วงหน้ามาก่อนเราตั้งอาทิตย์นึงถ้าเขามุ่งเทือกเขาเนลลกาญง่ายๆเขาก็ต้องถึงก่อนหน้าเราหลายวันแล้วก็คงจะผ่านไปแล้วแต่นี่วายาก็ยืนยันอยู่ว่าไม่ได้พบเห็นคณะของเขาเลยมันก็แสดงชัดอยู่แล้วว่าเขาจะต้องตัดไปทางอื่นที่ไม่จําเป็นจะต้องผ่านภูเขานิลการพวกนี้จึงไม่มีโอกาสได้พบเห็นหรือแววข่าวเขาเลย และที่เธอคิดว่าการที่เรามุ่งมาที่เมืองวายาก่อนนี่ระวางเข็มผิดไปหรือเปล่าดารินกัดดิมฝีปากขมน้ําตาที่พานจะไหลออกมาให้ได้สัส่นศีรษะอีกครั้งชยันฉันแน่ใจว่าไม่ผิดหรอกนะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่อาจจะบอกได้กําหนดให้เรามุ่งหน้าเข้าหาภูเขานิลการก่อน แม้จะไม่ได้ข่าวจากเขาก็ตามแต่มันก็เป็นปลายทางอันจะชี้โชคชะตาแน่ชัดลงไปได้แล้วว่าเราจะตามเขาพบได้หรือไม่ฉันดีใจนะที่ทุกอย่างตรงตามแผนที่คิดกำหนดไว้ก่อนคือได้ไปกราบนมัสการมหาฤาษีผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งท่านมีเมตตาคอยให้การอนุเคราะห์ช่วยเหลืออยู่ตลอดแล้วก็ดีใจที่วายารับปากออกมาแล้ว ว่าจะช่วยนำทางเราไปให้ถึงเชิงเขาพระศิวะถ้าได้วายากะลิงพวกนี้คอยช่วยเหลือในการนำทางซะอย่างเดียวเราอาจจะไปถึงที่นั่นในเวลาใกล้เคียงกระพินก็ได้ฉันมีความมั่นใจอย่างนี้นะระยะที่เราถูกฝ่ายของรระพินทิ้งห่างมาตลอดเวลาระยะทางที่เราค้นหาร่องรอยใดยๆของเขาไม่ได้เลยนับตั้งแต่ล่วงเข้ามาในนรกดา หากจะกระชั้นชิดเข้ามาได้เมื่อเรามาถึงภูเขานิลการและได้วายาช่วยนําทางต่อสิ่งที่เราพยายามกระทํากันนักหนาก็คือก้าวสกัดน่าจะทําได้เมื่อมีวายาเป็นคนนําทางนี่แหละไอ้เท่าที่แล้วมานะ่ะเราอยู่ในฐานะงมทางอย่างคนตาบอดมาตลอดแม้จะยังไม่ได้ข่าวของระพินเลยแต่อย่างน้อยที่สุดฉันก็มีความหวังขึ้นบ้างแล้ว จากลางดีอะไรหลายๆอย่างสมมุติว่าระหว่างฝ่ายเขาและฝ่ายเราต่างมุ่งเทือกพระศิวะด้วยกันมันก็แปลว่าเราจะไปถึงที่นั่นได้ก็โดยความเมตตาเกื้อกูลของพระคุณเจ้าโกนทันยะแต่ระพินเขามุ่งไปด้วยความสามารถของเขาเองชยันพยายามใช้เซนทุกส่วนในประสาทสมองของเขา แต่ก็ยังอยู่ในสภาพมึนงงสับสนเมื่อพยายามทบทวนการเดินทางจุดที่อดีตนายทหารปืนใหญ่พิษสวงมากที่สุดก็คือเหตุใดทางฝ่ายตนจึงสามารถเหยียบเข้าถึงภูเขานิลการได้รวดเร็วเกินความคาดหมายไปมากถ้าจะเทียบกับสภาพการเดินทางในครั้งก่อนมันเหมือนกับว่าคณะของเขาทั้งหมด จะมาด้วยอำนาจปาฏิหาริย์อะไรสักอย่างะนั้นแล้วมันก็มีอะไรประหลาดประหลาดที่ค้นหาคำตอบไม่ได้อยู่ตลอดเวลาสำหรับการเดินที่มีดารินเป็นผู้นําทางมาในวันนี้มันก็มีอยู่สองในยะที่เราจะต้องตัดสินใจคือถ้าเราแน่ใจว่ารพินจะไม่มุ่งมาที่ภูเขานิลการเลยอย่างที่เธอว่า เราก็จะไม่เสียเวลาอยู่ที่เมืองของวาญานานโดยอาจจะพักสักคืนนึงตามคำเชิญแล้วให้เขาออกนำทางต่อเลยแต่ถ้าเราแน่ใจว่ารพินจะต้องมุ่งเทือกนิลการก่อนเช่นกันโดยยังเดินทางมาไม่ถึงเราก็สมควรจะดักรอเขาอยู่ที่ภูเขานิลกา่นี่แหละนี่คือสิ่งที่พวกเราทั้งหมดกำลังอยู่ในภาวะลังเลว่าจะเอาอยัางไงแน่ ก็แล้วทำไมถึงไม่มีใครเชื่อฉันมั่งนะโดยเฉพาะพี่กลางแล้วก็พี่ใหญ่ทั้งๆ ท, ที่ฉันก็พิสูจน์อะไรต่ออะไรให้เห็นได้นับครั้งไม่ถ้วนแล้วอะดาริงพูดแผ่วเบาอย่างรำพึงกับตนเองเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะลองสาวเสียงสองคนนั่นดูรู้สึกว่าเขาอยากจะดักรอรพินอยู่ที่เมืองของวายาอยู่นะว่าแล้วชัยันก็หันไปฐานราชสกุลสองพี่น้อง ด้วย อ, อย่างหางเสียงว่าจะตกลงกันยังไงแน่ระหว่างการพักรอฟังข่าวอยู่ที่ภูเขานิลการหรือจะเร่งออกเดินทางเข้าสู่เทือกพระศิวะอย่างเป็นการเร่งด่วนแข่งกับเวลาเมื่อนั้นอนุชาวราริ์ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจต่อเส้นทางเดินมากที่สุดจึงมองมายังน้องสาวผู้นั่งสงบเงียบอาละอย พี่จะขอฟังความเห็นของน้อยละ ว, ว่าจะเอายังไงดีเราหารือกันได้ไม่จําเป็นต้องนิ่งเงียบทําหน้าเสียวอยู่ยงั้นน่ะพี่กลางคะไม่มีการรอคอยฟังข่าวที่ภูเขานิลการคะ่ะให้วยาออกนําไปที่เทือกพระศิวะได้เลยภายหลังจากหนึ่งคืนที่เราแวะเยี่ยมเมืองของเขาหล่อนตอบสั้นๆ น้อยตกลงอย่างนี้และพี่ใหญ่ล่ะจะเอายังไงล่ะครับเทพฐานนิ่งคิดอยู่ครู่ก็บอกมาเรียบๆว่าก็ถ้าเราแน่ใจว่ารพินจะไม่มุ่งผ่านมาที่เมืองของวายาเราก็ไม่ควรจะเสียเวลาอยู่ที่นั่นนานตามที่น้อยบอกแต่เราจะรู้แน่ได้ยังไงว่ารพินไม่คิดจะผ่านภูเขานิรลการซึ่งขณะนี้เขาอาจจะยังเดินทางมาไม่ถึง ระพินเองก็มีสิทธิ์ที่จะหลงทางหรือวกอ้อมทางได้เหมือนกันในขณะที่พวกเราได้ทางลัดถ้างั้นก็ต้องถามความเห็นลุงอินและขยินเลยละเพื่อหาข้อสรุปในการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของเราท่านหัวหน้าคณะพยักหน้าไปยังครูพรานผู้เท่าและเจ้านักเลงโตหลุมช้างซึ่งไม่มีใครในคณะนายจ้างจะมองผ่านความสาคัญของมันไปจะ สำหรับการเดินทางในครั้งนี้และขณะนี้มันก็นั่งฟังอยู่ด้วยนานอินน่อยู่ในภาวะคิดหนักหันไปพูดอะไรเบาๆอยู่กับวายาส่วนขยินโผล่มาทันทีโดยไม่ลังเลว่าขยินเชื่อตามนายหญิงบอกพรานใหญ่จะไม่ผ่านเข้ามาในเมืองลิงของวายาแน่นอนไม่มีประโยชน์ที่จะเสียเวลารอที่นี่ถ้าพรานใหญ่เจตนามาที่ภูเขานิลกาล ก่อนมุ่งไปเทือกพระธิวะบานนี้ถึงก่อนหน้าเรานานแล้วนายรพินไม่มีวันหลงทางหรืออ่อนทางแกมีแต่จะลัดทางอา้าวแล้วลุงอินน่ะลุงคิดยังไงเชฐาถามไปทางครูพรานนานอินเป็นคนสุดท้ายก่อนที่จะตอบคำใดๆกับฝ่ายเจ้านายทุกคนนานอินแลไปทางสหายก่า ว, วายาของแกซึ่งบัดนี้ นั่งสูงลุงกลางงานงําห่างจากกองไฟออกไปเล็กน้อยเปลวแสงพรมแผลมจากไฟที่ก่อไวศาสตร์มากระทบร่างใหญ่โตนั้นแลดูราวกระท่อนศิลาที่โผล่ขึ้นมาจากกลางพื้นหญ้าเรียกราบรอบด้านและลึกออกไปในความมืดของรัตติกาลบรรดาไพรพลวานอนทั้งหลายพอจะปรากฏให้เห็นจับกลุ่มกันอยู่เป็นห ม, มู่มูแลเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม เรียงรายอยู่ทั่วไปวายาถ้าจะมีใครต้องการมุ่งไปเทือกเขาพระศิวะโดยเดินทางมาจากทางด้านใต้ต่ำลงไปแล้วไม่ผ่านเมืองของเจ้าจะได้ไหมนั้นอินส่งภาษาปกติธรรมดาของแกถามเกลเก่าออกไปถ้ารู้เส้นทาง จะไม่ผ่านเมืองของวายาหรือภูเขานิลาการก็ได้มนุษย์วานอนตอบด้วยเสียงลึกกระหึ่มก้องอยู่ในลําคอได้ยินและฟังเข้าใจไปทั่วทุกคนที่นั่งอยู่ใกล้บริเวณนั้นก็ทําไมผ่านเมืองของเจ้าหรือเทือกเขานิลาการที่ขวางกั้นหน้าอยู่แล้วเขาจะไปทางด้านไหนละ่ะถ้าเดินมาจากด้านใต้ต่ําลงไป ว่ายาชี้มือไปทางด้านหนึ่งของท้องฟ้าดำสนิทแลไม่เห็นดาวแม้แต่สักดวงกล่าวต่อมาในเสียงเดิมว่าอาคันตุ ก, กะผู้เดินทางมุ่งไปสู่เทือกพระศิวะไม่จำเป็นต้องเดินมุ่งขึ้นเหนือจากด้านใต้ต่ำถ้ารู้เส้นทางเขาอาจจะอ้อมทิวปีครุฑ ไปทางด้านตะวันออกพลนรัศมีของภูเขานิลการห่างออกไปแล้ววกขึ้นเหนืออีกครั้ง<ร> áng, ก็ย่อมได้การจะผ่านภูเขานิลการหรือไม่นั้นมันสุดแต่ว่าจะมุ่งมาทางด้านใดเป็นสําคัญคําตอบนั้นดูเหมือนจะช่วยทุกคนตาสว่างขึ้นชัดเจนแล้วชายันดีดนิ้วโดยแรงร้องออกมาว่า ถางั้นก็แน่แล้วพวกเราทั้งหมดหมัวแต่คิดกันอยู่ว่าเส้นทางจะไปเทือกพระศิวะจำเป็นจะต้องผ่านภูเขานิลการเป็นด่านหน้าซะก่อนเสมอไปแต่ความจริงมันไม่จำเป็นเลยสักนิดถูกต้องตามที่วายาพูดทุกอย่างที่เราเคยรู้ว่าก่อนถึงเทือกพระศิวะจะต้องผ่านเขาน i ลกา a n ก่อนน่ยมันก็มาจากแผนที่โบราณของมังมหารทา ที่รพินใช้คําทางมาในครั้งแรกนั่นเองเท่าๆกับที่อนุชากรลุงอินก็มาในหลักเกณฑ์อันเดียวกันแต่เมื่อรพินเคยผ่านมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งซ้ําในเที่ยวขากลับเขาก็ยิ่งชํานาญทางเพิ่มมากขึ้นการเดินทางของเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องผ่านภูเขานิลการให้เสียเวลาหากว่าเขาไม่ต้องการแวะที่นั่นทําไมเราต้องคิด ว่าเขาจะต้องแวะผ่านเข้าไปที่เมืองของวายาจนทำให้เกิดการลังเลอยู่ว่าควรจะรอหรือไม่รอดีจึงน่าจะเชื่อได้ตามที่น้อยบอกแล้วว่าป่านนี้ระพินคงจะมุ่งหน้าเข้าหาเทือกพระศิวะเป็นจุดสุดท้ายเลยทีเดียวนานอินไม่พูดอะไรอีกหันมามองทางเจ้านายทั้งหลายเชษฐาและอนุชาเริ่มจะได้ความคิด ภายหลังมองสบตากันเองไปมาอยู่ชั่วขณะอดีตพรานชดก็พูดเสียงต่ำๆมาว่าถ้างั้นก็คิวีดีได้แล้วละมะคือเราไม่ต้องไปรอความหวังอะไรที่ภูเขานิลการอีกแวะพักที่นั่นหนึ่งคืนนำมัตสการขอพรพระคุณเจ้ามหาฤาษีเพื่อความเป็นมงคลแล้วให้วายานำทางมุ่เทือกพระศิวะเลยทันที กว่าจะถึงบทสรุปตัดสินใจลงไปได้ก็ใช้เวลาถกเถียงหารือกันไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงเต็มดารินวราฤทธน์ใจออกมาได้อย่างโล่งอกยกมือขึ้นพนมไปทางทิศเหนือสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยดลบรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นผลดีต่อล่อนและคณะเดินทางทุกคนเชิาอโอบมือประคองไหลน้องสาวไว้แล้วตกเบา บอกมาว่ า, าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่น้อยต้องการเราได้ข้อตัดสินเป็นเอกฉันแล้วไม่ต้องมาโต้แย้งกันอีกต่อไปแต่พี่แปลกใจมากนะแปลกใจที่เมื่อใกล้ภูเขานิลการเข้ามาแล้วทาไมระพินจึงนําคณะของเขาเลี่ยงผ่านไปซะโดยไม่แวะเยี่ยมเยียนดินแดนของมิตรเก่าเลยเช่นนี้ค่ะตรงนี้น้อยก็เดาไม่ถูกเหมือนกันนะคะพี่ใหญ่ แต่ถ้าจะให้เดาก็อยากจะคิดว่าระพินคงไม่อยากจะเสียเวลาผ่านเข้าไปในเมืองของวายาคงเพราะจะต้องการเร่งการเดินทางให้เร็วที่สุดแระอีกประการหนึ่งเขาอาจจะคิดได้ว่าเขามากับคณะบุคคลแปลกหน้าต่างชาติต่างภาษาก็ไม่อยากจะให้ได้รู้เห็นอะไรมากโดยไม่จำเป็นก็ได้ในการเดินทางครั้งนี้ เพราะมันล้วนแล้วแต่เต็มไปได้วยปัญหาที่เขาไม่ไม่อยากจะอธิบายเหมือนเหมือนกันที่น้อยก็ไม่อยากจะอธิบายอะไรกับพวกพี่ๆเหมือนกันแหละเสียงของดารินแจ่มใสขึ้นแลวลุก ข, ขึ้นจากที่นั่งเดิมเดินไปหย่อนกายลงนั่งตรงหน้าของเจ้าผู้ครองนครวานอนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคนป่วยหนักในความดูแลของหล่อนความสูงชะเงือมของวายาทาให้หลอนต้องแงน้าพูดด้วย เหมือนมนุษย์สาวน้อยพูดกับพยายักษ์ปักหลันซึ่งมีสภาพผูกพันกันทางใจอย่างลึกซึ้งเป็นไมตรีจิตมิตรภาพอันยากที่จะหาได้วายาไม่ว่าเราจะพลัดพลาดจากกันไกลไปอยู่แห่งหนใดในโลกนี้หรือโลกหน้ากี่ชาติหรือกี่ภพน้ำใจไมตรีที่เราเคยมีต่อกัน จะไม่มีวันเสื่อมสลายไปได้เลยนะวายาเธอเป็นสิ่งหนึ่งในเนื้อนาบุญบารมีเก่าของฉันที่ได้สั่งสมไว้เราจึงได้มาพบกันเยี่ยงมิตรที่จะเกื้อกูลต่อกันอีกครั้งเธอคงจะอย่างรู้อยู่ดีแล้วว่าฉันและพวกเราทุกคนเดินทางมาในครั้งนี้เรามาเพื่ออะไรแทนคําตอบใด จอมวานอนมนุษย์ยุคต้นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติยกมืออันใหญ่โตทั้งสองข้างขึ้นแตะประคองไว้ที่ต้นแขนทั้งสองข้างของหลอนอย่างทนุถนอมพร้อมทั้งก้มตัวลงมาเหมือนจะเป็นการคาระวะรับคำดารินยิ้มอย่างปลื้มปิติกล่าวต่อมาอย่างอ่อนโยนว่าเราจะไม่ปฏิเสธคาเชิญชวนของเธอ ที่จะแวะพักที่เมืองของเธอหนึ่งคืนและเพื่อจะเข้าเฝ้ากราบขอโชคชัยจากมหาฤาษีผู้มีเมตตาต่อเราทั้งหมดมาโดยตลอดและวันรุ่งขึ้นก็จะขอให้เธอช่วยนำทางเราไปส่งจนถึงเทือกพระศิวะด้วยเถอนะว่ายาพงกศีสังเนิบช้าลงอีกครั้งนายหญิง ไม่เพียงแต่จะนำคณะของนายหญิงน้อยๆไปให้ถึงเทือกพระศิวะเท่านั้นแต่วายาจะนำนายหญิงส่งขึ้นไปให้ถึงถนนสายใหญ่อันจะนำเข้าสู่มรกตนครเลยทีเดียวหากนั่นเป็นสิ่งที่นายหญิงปรารถนาโดยไม่ต้องไปเสียเวลาหาเส้นทางที่เนินพระจันร์มหาฤาษีได้มีบัญชากำหนดสั่งวายามาแลว้ว ณบัดนี้เองกล่าวจบวายาก็เอามือตกเบาๆไปที่ศีรษะของตนคำพูดของวายาทำให้ทุกคนที่นั่งฟังแล้วได้ยินอยู่บังเกิดความปลื้มปีติและยินดีจนสุดที่จะกล่าวได้ดารินนั้นยิ้มทั้งน้ำตาจับแขนอันกำยำของจอมวานอนบีบแน่นด้วยมืออันสันะ ร, ริกส่วนเชษฐา อนุชาและชยันร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงเหรอวายาที่ท่านจะนำทางเราให้ขึ้นถึงถนนพระศิวะอันเป็นทางเข้าสู่มรกรนครเลยอ่ะ <c oughs> มหาฤาษีรู้ดีว่าแม้ท่านจะไปถึงเนินพระจันทร์เชิงเขาใหญ่แล้วก็ตามแต่ถ้ามาผิดกำหนดเวลาหรือดูการ การที่เราท่านจะเสวงหาทางขึ้นสู่ถนนพระศิวะนั้นท่านอาจจะหาหนทางขึ้นไม่พบตลอดชั่วชีวิตนี้ดังนั้นจึงได้มีคำสั่งให้วายานำทางขึ้นไปจนถึงเส้นทางสายสำคัญอันจะนำเข้าสู่มรกตนครขอพวกท่านอย่าได้กังวลใจไปเลย บราโวบราโวอย่างนี้ก็สำเร็จไปตั้งเกาสห้าเปอร์เซ็นแล้วนะสิโชคดีอะไรอย่างนี้สวรรค์ทรงโปรดชายันอุทานออกมาอย่างลืมตัวแทบจะเพ่นพรวดขึ้นยืนทั้งตัวในขณะที่อนุชาและเชิฐานั่งตะลึงตัวชาขนลุกเกลียวไปหมดทั้งกายภายหลังจากระงับความตื่นเต้นยินดี อันมีอยู่ขีดสุดในคณะลงได้เชษาได้สอบถามสนทนากวายาวะ่ะวายาแล้วท่านเคยผ่านขึ้นบนเส้นทางนำเข้าสู่มรกฎนาคอนั่นมาก่อนหรือเปล่าและท่านได้เคยติดต่อพบปาก ก, จากรจกาชเจ้าผู้ครองอาณาจักรในหุบเขาพระศิวะบ้างไหมวายาสั่นสีสัน วายาไม่อาจล้ำแดนขึ้นไปสู่นครเบื้องหลังเทือกพระศิวะได้เพราะขอบเขตของสวรรค์เบื้องบนขีดขั้นไว้ไม่เคยได้พบปะกับผู้คนในมรกรนครคนใดมาก่อนท้งสิ้นแต่วายารู้เส้นทางที่จะนำพวกท่านไปส่งให้ถึงโดยไม่ต้องแสวงหาเองให้เหนื่อยยากรู้ด้วยว่าคนของฝ่ายท่านคนหนึ่ง เป็นชายหนุ่มโฉมงามมาในฐานะบ่าวผู้รับใช้พวกท่านในครั้งกระนั้นได้กลับมาเพื่อครองอาณาจักรมรกกนครของเขาและบัดนี้เขาก็ยังคงครองอยู่เราไม่ได้พบเห็นกันทางกายอีกเลยแต่เราพบเห็นกันทางจิตบ่อยครั้ง เพราะเขาก็คือสิทธิ์ของมหาฤาษีโกนธัญญ ะ, ะเช่นเดียวกับวายาราตรีที่ผ่านมา<อ>เขาก็ยังเข้ามาในความฝันบอกวายาให้มารอคอยเหล่าท่านทั้งหลายณตำแหน่งนี้โดยเขาจะเป็นผู้ชักนำมาวายาจึงมาคอยดักรับอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเขาพูดนั้น พวกท่านเคยเรียกน้ำเขาว่าแงสายใครจะมีข้อกังขามึนงงประหลาดใจอย่างไรอยู่ในขณะนี้เป็นเรื่องของคนเหล่านั้นแต่ดารินวราริษได้คำตอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหล่นเอาฝ่ามือทั้งสองปิดหน้าที่ก้มไวทั้งหัวเราะและร้องไห้บนกันอยู่คนเดียวเงียบเงียบ ภายใต้ฝ่ามือที่ปิดหน้าอยู่นั้นหลอนแน่ใจแน่ใจว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่หลอนสามารถนอนหลับได้อย่างเป็นสุดที่สุดหน่บณบัดนี้เจ้ามกคุเทศรพินไพรวันยืนเด่นอยู่เหนือหน้าผาสูงอันเป็นบริเวณของทุ่งหญ้าที่ไต่ชั้นขึ้นมาตามลำดับ จนกระทั่งในที่สุดมันก็ตัดขาดลงไปอย่างกระทันหันมองเห็นแต่อากาศเวิงวางซึ่งห่างไกลออกไปเป็นเทือกเขาสูงลิบมหคือมาประดุดกำแพงล้อมรอบจักรวาลกั้นขวางไว้ที่หมู่เมฆอึงครึมลอยตัวปกคลุมยังบริเวณตีนเชิงด้านล่างส่วนที่สูงขึ้นไปนั้นดูเหมือนจะถูกกลืนหายไปในสีขาวมัวของหิมะ ที่แลกลืนกับแผ่นฟ้าจนไม่อาจกำหนดลักษณะทิวอันระห่านเงือมนั้นได้ต่ำลงไปจากที่ราบสูงซึ่งยืนอยู่ขณะนี้คือบริเวณของพื้นที่สูงสูงต่ำต่ำเป็นลอนปกคลุมไปด้วยพื้นหญ้าเขียวขจีมีสลับด้วยพื้นหินสีสันต่างๆเช่นเทาหม่นดำขาวเหลืองและชมพู ซึ่งผุดโล่ขึ้นมาจากพื้นหญ้าเหล่านั้นเป็นหย่อมๆห่างเรียงรายไปทั่วๆของแผ่นดินลักษณะประหลาดอันกว้างใหญ่ไพศาลเบื้องล่างนั้นห่างจากเบื้องหลังเขาออกไปประมาณ20สบเมตรกลุ่มของพวกนายจ้างพรานคู่ใจทั้งสี่และพวกลูกหาบทุกคนพากันนั่งหรือบางคนก็ลงนอนอย่างแผ่หมดเรียวหมดแรง จากการที่บุกบั่นเดินกันอย่างหนักโดยการนำไต่ขึ้นมาตามพื้นที่ราบสูงแห่งนี้ตั้งแต่เวลาเช้าของวันนี้มาแล้วชนิดไม่มีการหยุดพักเลยเวลาขณะนี้15หนาฬิกา30นาทีของวันนี้ซึ่งนับเป็นวันที่8ตั้งแต่การพยายามตัดทางจากจุดหมายทะเลสาบมรณะมาโดยตลอด โดยนำอ้อมผ่านภูเขานิลการมาซะชนิดไม่เฉียดกลเข้าไปใกล้เลย8วันของการเร่งรุดเดินหน้ากันอย่างเต็มที่โดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางนอกจากความทุรักกันดาลของเส้นทาง8วันของการประทังชีพด้วยอาหารและน้นสำเร็จรูปจากฝ่ายของนายจ้างยกเว้นแต่บางครั้งบางคราวจะได้อาหารสุดจากสัตว์ประเภทกวาง และแพะภูเขาที่มีขนหนาตามทุ่งหญ้าและเชิงผาที่ผ่านไปอันพอช่วยประทะประทังไปได้บ้างเป็นครั้งคราวทุกคนพายผอมอ่อนเปรี้ยบเพรียแรงลงตามลำดับแต่ไม่มีใครถึงกับล้มเจ็บป่วยอันจะเป็นการทำให้เวลาแห่งการเดินทางถูกทวงช้าลงใดๆทั้งสิ้นทุกคนบากบันกันมาจนสุดชีวิต แบบตกกระไดพลอยโจรโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งฝ่ายนายจ้างอเมริกันทั้งสี่คนพระหมดหนทางเลือกอีกแล้วรพินไพรวันไม่ยอมหันหลังกลับสักคนเดียวและในเมื่อเขายังมีชีวิตที่จะก้าเดินหน้าต่อไปโดยไม่ล้มเลิกความพยายามก็ไม่อาจมีใครสามารถกลับหลังหันได้ต่างเพิ่งจะมารู้รสกับชีวิตของความเหนื่อยยากแสนเข็นที่สุด อันไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันจะทรมานลำเคินถึงเพียงนี้ทุกคนจําเป็นต้องฝากความหวังไว้กับพรานนําทางเพียงผู้เดียวและในอนุสติของแต่ละคนยามนี้คิดแต่เพียงว่าณนะที่ใดที่หนึ่งยังหนทางที่กรำหนักไปเบื้องหน้านั้นจะเป็นตําแหน่งที่ดวงวิญญาณปิดปรงออกจากร่าง เพราะหมดสิ้นเรี่ยวแรงที่จะลากสังขารต่อไปแต่ก็ไม่มีใครปริปากอุทธรออกมาได้ประมาณสิบกว่านาทีละที่เขาเดินพละจากกลุ่มที่ลงนั่งพักกันอยู่นั้นมายืนอยู่ตรงริมผาตัดชันลงไปเบื้องล่างนี้แสงตะวันยามบ่ายจัดสา์กระทบมาทางด้านหลังเบื้องซ้าย ทอดเงายาวลงไปกับพื้นหญ้าสีเขียวและประดุดเสาหินแกรงที่ผุดโผล่อยู่ยังตำแหน่งพื้นอันราบเรียบปราศจากสิ่งใดเกะกะนั้นหน้าหันออกไปทางหน้าผาอันเป็นทิศเหนือในมุมตรงกระแสลมเย็นที่พัดผ่านกายอยู่ตลอดเวลาเป่ามวกสักหลาดใบเกาคคราที่ครอบอยู่บนสีสะให้ห้อยไปสะบัด อยู่บนไหล่ด้านหนึ่งเพราะยังติดสายรัดคางอยู่ไรเฟิลสะพายติดอยู่กับไหล่เอาปากกระบอกลงแขนทั้งสองกอดอกร่างนั้นยืนนิ่งโดยไม่กระดุกกระดิกเลยจากสายตาของฝ่ายที่นั่งพักจับมองอยู่ทางด้านหลังสตาลีเอื้อมมือมาสะกิดไหล่ตาเท่าบุญคำซึ่งขณะนี้ นั่งเหยียดขายาวอยู่กับพื้นถามมาเสียงต่ำๆว่าบุญคำเขาไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วเข้าไปจับไปสมาธิจับยามสามตาละมั้งก็ตอบมาหน้าตาเฉยอเมริกันอาวุโสไม่เข้าใจเอียงหน้าเข้ามาร้องสุดเสียงว่าว h บุญคำว่าอะไรนะ บุญคำเอามือลูบหัวอันหยิกขอดไปด้วยผมติดหนังหัวของแกแล้วยิงฝันยิมจากเสียงของสตาลีนเองทำให้คริสติน่าและเบลผู้นอนหงายชันเข่าอยู่กับพื้นหญ้านุ่มใกล้ๆพากันดึงกายขึ้นพร้อมกันส่วนคีดและเชิดบุตรอันนั่งรวมกลุ่มอยู่ด้วยใกล้ๆหันกลับมาที่ทั้งสองคนที่กำลังโต้ตอบกันอยู่ในขณะนี้ท่ามกลางความเงียบงันกันไปนานแล้ว ก็นายกำลังดูฟ้าดูลมชมวิวบางทีแกอาจจะคิดว่าทำยังไงถึงจะหอบไปถึงเถอกเขาใหญ่ข้างหน้านโน้นได้บุญคำหมายฟาร์มว่าอย่างนั้นนะว่าแล้วแกก็หัวรออย่างไม่รู้อนาธรร้อนหนาวกับใครทั้งสิน้นเปิดตลับบุรีใบตองแห้งออกมามวนไปพลางเกิดเสยและจัน นั่งจับกลุ่มกอดเขากันอยู่ห่างจากกลุ่มของนายจ้างออกไปเล็กน้อยไม่ได้เข้าร่วมวงอยู่ด้วยตลอดระยะเวลาเห็นการเดินหนักทั้งวันของวันนี้พรานทั้งสมดูจะเงียบขึ้ผิดปกติไปไม่ว่าฝ่ายนายจ้างคนใดจะซักถามยังไงพวกนั้นจะไม่พูดหรือถ้าพูดก็พูดน้อยที่สุดโดยเร่งรุดให้พวกเจ้านายและลูกหาบเดินขึ้นที่ราบสูง ตามหลังรพินไปโดยตลอดนับเป็นวันที่แทบทุกคนเดินกันอย่างล้มลุกคลุกครานทั้งๆ ท, ท, ที่พื้นเป็นบริวะบริเวณโล่งเตียนเพียงแต่ทวีความสูงชันขึ้นมาเรื่อยๆทุกขณะเท่านั้นใครซุดลงไปอย่างหมดแรงคนที่เดินอยู่ข้างๆก็ช่วยกันฮิ้วปีกพยุงหอบฮิ้วโซซัดโซเซกันไปคริสติน่าและเบนก็ล้มลงอยู่หลายครั้ง แต่ก็ถูกฉุดขึ้นมาโดยพวกพรานพื้นเมืองเชิดบุตรนั่นก็ป่อแเป้พอๆกันนายคิดแล้วก็เดินไต่ทางรังท้ายอยู่ในหมู่พวกลูกหาดจะมีก็แต่สไตลีคนเดียวเท่านั้นที่กัดฟันอย่างมานะเดินตามหลังรบพินไปโดยเว้นระยะประมาณสิบเมตรโดยตลอดและนำหน้าพักพวกทุกคนเท่าแล้วเท่ารอดฝ่ายนายจ้างก็อดประหลาดอยู่ไม่หาย ว่าชายร่างเกรงสันทั์อันเป็นมักคุเทศนำทางผู้นั้นพระเจ้าประทานเรียวแรงความทรหดมาให้แก่เขาเป็นพิเศษหรืออย่างไรเพราะเห็นเดินดุ่มนำหน้ามาโดยตลอดทุกวันและทุกระยะชนิดที่แลไม่เห็นวี่แววของความอิดโรยเหนื่อยอ่อนใดๆทั้งสิ้นเขาเดินเดินเหมือนสัตว์ป่า สเสบียงอันเป็นเนื้อแพะภูเขาย่างรมควันซึ่งยิงได้เมื่อสองวันก่อนหมดสิ้นไปตั้งแต่เช้าวันนี้แล้วอาหารและน้ำยังไม่มีวี่แววว่าจะแสวงหาได้จากที่ไหนนอกจากจะต้องอาศัยอาหารเม็ดสำเร็จรูปถ้าใครเกิดหิวขึ้นมาจะยังไงก็ตามภูมิอากาศของวันนี้ตลอดทั้งวันดีขึ้นกว่าเท่าที่ผ่านกันมาแล้ว เพราะมันมีความเย็นชุ่มชำและมีลมพัดโกรกแรงอยู่ตลอดต่างกว่าบ้างพื้นที่ภูมิประเทศที่มันร้อนอ้าวระอุเราก็เดินผ่านทะเลทรายอย่างสามวันที่แล้วคงมีแต่เพียงบุญคำคนเดียวเท่านั้นที่ยังมีอารมณ์ระรื่นคลื่นเครงของแกอยู่เหมือนเดิมทาหน้าที่เป็นเพื่อนสนทนาตาฝ่ายในจ้างเมื่อใครเกิดปัญหาที่จะถามอะไรขึ้น และขอยาว้ยแย่คนโน้นทีคนนี้ทีเพื่อเป็นการลดหย่อนความตึงเครียดของอารมณ์อันอาจจะเกิดขึ้นในแต่ละบุคคลเพราะรพินนั้นนอกจากการหยุดพักแล้วเขาก็จะไม่พูดอะไรกับใครอีกเลยทั้งสิน้นเอาแต่เดินนำอย่างเดียวขนาดเรียกวิทยุก็ยังไม่ตอบมีแต่อาการโบกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนเดินตามกันไปเรื่อยๆ และถ้าแม้จะมีการส่งข่าวให้ทราบว่าใครคนใดคนหนึ่งของคณะนายจ้างหมดแรงล้มลงเขาก็จะบอกทางวิทยุลงมาสั้นๆเพียงให้พวกพลานพื้นเมืองช่วยกันแก้ไขดูแลและก็ให้นั่งพักชั่วขณะก่อนตัวเองจะไม่หวนกลับมาดูทั้งสิ้นแต่จะใช้วิธีเดินล้ำขึ้นไปเบื้องหน้าแล้วก็ไปหยุดคอยอยู่ในระยะที่สายตามองเห็นได้บนที่ราบสูง อันแลเห็นกันในระยะไกลนั้นโดยไม่มีมุมบังหรือมุมลักตาเพราะความโล่งของภูมิประเทศคริสติน่าพยายามจะลุกขึ้นในขณะนั้นแต่แล้วก็ซุดหวบลงไปอีกเพราะเขาอ่อนเบนจึงจับแขนไว้แล้วบอกว่าพวกเราทั้งหมดนั่งกันอยู่ตรงนี้ก่อนเถอะอย่าพยายามตามเขาไปเลยทุกคนหมดแรงกันไปหมดแล้ว แม่กระทั่งพานลูกน้องของเขาเองอีกทั้งสี่คนวันนี้เรายังมีลมหายใจกันอยู่และยังเดินกับโปกกับเปียตามเข้ามาได้จนกระทั่งมาสิ้นเรี่ยวสิ้นแรงกันที่นี่คริสติน่ากล่าวเสียงแหบๆขึ้นเหมือนจะรำพึงกับตนเองตามองจับไปยังเบื้องหลังของมัรคกุเทศนำทาง ซึ่งยังยืนนิ่งอยู่ในตำแหน่งนั้นฉันอยากจะรู้นะักว่าที่สุดของที่สุดะมันจะเป็นยังไงต่อไปที่สุดของที่สุดก็คือสุดล่าปาหิมพานที่มองเห็นลิบๆอยู่ข้างหน้านนผมคิดว่าเขาได้นําเรามาประจันหน้ากับมันแล้วละ่ะเชิดบุตรจับข้อมือแม่ผมทองเอาไว้ แล้วบุ้ยปากให้มองไกลยีออกไปเบื้องหน้าคริสติน่ากระเดือกน้ำลายอันแสนขมลงลำคออย่างฝืดฝืดแล้วนิ่งขึงไปอีกหล่อนคิดว่าถ้ามีการอนุญาตให้พักโดยไม่ต้องมาพาวงว่าจะต้องลุกขึ้นมาเดินอีกต่อไปหลอนคงจะเป็นคนแรกที่จะต้องหลับไปในทันทีด้วยความอ่อนเพลีย คิดนันถึงยังไงก็ยังเลิกนิสใยสบุตะไม่ได้นายจีไอสาบแช่งสบุสบาลด่ารพินมาตลอดระยะเวลาแปดวันดา่าชจนกระทั่งไม่มีแรงจะดา่าเพียงแต่ถ้าอยู่ต่อหน้าก็จะไม่กล้ากล่าวคำใดออกมาให้เป็นที่ระคายหูของบุรุษผู้นั้นเท่านั้นตอนนี้เขาก็อยากจะสบุ ด, ด่าอีกละเพียงแต่ว่าไม่มีเสียงเท่านั้น ได้แต่นั่งหน้าซีดตาเบิกกพลงแล้วหายใจสี่ครวงบาลอยู่ถึงยังไงก็ตามวันนี้เขาก็ยังมีสติดีกว่าเมื่อตอนเดินผ่านทุ่งอันร้อนแรงดุดทะเลทรายอย่างเมื่อสามวันที่ผ่านมาแล้วเพราะในวันนั้นเขาเดินจนล้มสลบเมือดและก่อนจะล้มลงก็ได้ตะโกนสาบแช่งระพิน และพยายามจะยกปืนขึ้นยิงไปทางด้านหลังของพรานใหญ่อย่างคนหมดสติควบคุมโชคดีที่คริสติน่าและเชิดบุตรเดินอยู่ใกล้จึงโดดเข้าล็อกคอช่วยกันแย่งปืนมาได้ซะก่อนที่ปืนมันจะล่นคิดล้มลงในเวลาหลังจากนั้นและสลบไปนานถึงครึ่งชั่วโมงเต็มๆภายในพื้นดินที่ระพินสั่งให้ขุดเป็นหลุมเพื่อเป็นที่พักหลบร้อน แลปล่อยให้คริสกัเบลพยาบาลขึ้นมาจนรู้สึกตัวเขาไม่ได้สนใจกับอาการคลุ้ m ข้างใดๆของคีธทั้งสิ้นเพียงแต่ยิ้มให้อย่างเวทนาและเห็นใจภายหลังจากที่คีธรู้สติขึ้นมาแล้วซึ่งนายก็ไม่รู้เลยว่าระหว่างที่ตนเหนื่อยอ่อนคลุ้คขัางเต็มที่นั้นได้ปฏิบัติการอันใดลงไปซึ่งรัพินก็ไม่เ อ, อ่ยถึง เพียงแต่เข้ามาตบไหลเหมือนจะเป็นการปลกปลอบให้กำลังใจแล้วชั่วไม่นานก็บอกให้เคลื่อนที่กันต่อไปขณะนี้คิดนั่งกอดเขา่าก้มหน้าคอหลบลงในระหว่างซอกเขา่าบอกกับตนเองว่าชีวิตทหารที่เสี่ยงภัยมาสารพัดรูปแบบของเขาในทุกสมรภูมิไม่ว่าจะในเวียดนามหรือในเลบานอน เขาก็ไม่เคยเลือดตากระเด็นเท่ากับมาปฏิบัติการในครั้งนี้ตรงข้ามกับอิสเบร์ซึ่งนับวันที่ผ่านมาอาการบาดเจ็บของหลอนหายสนิท ด, ดีแล้วและมีวิญญาณของนักสู้อย่างเต็มที่ไม่ด้อยลงไปกว่าคริสตินา่าผู้ทรหดอยู่ก่อนแล้วเลยแม่ผมแดงไม่ได้ประสบเคราะห์กรรมในทางสุขภาพร่างกายอย่างใดอีกทั้งสิน้น เรือนร่างอันเคยเต็มไปด้วยส่วนสัตว์ที่เกินเลยไปบ้างทางด้านยวนยั่วโลกีบัดนี้ลดขนาดลงกลายเป็นแกลงเกรงปราดเปรียวกระทัดรัดมีความคล่องแคล่วตัวสูงใกล้เคียงกับรูปร่างของคริสตินาะโดยไม่เป็นภาระให้ใครต้องคอยประคับประคองห่วงใ ย, ยอยู่อีกและการสมบุกสมบันหนักที่สุดในระยะหลังๆฉะนี้ตื่นก็ต้องเดินหนักหยุดพักก็หลับเป็นตาย เพราะความอิดโรยอ่อนเพลียกลอนก็มาเลยไม่มีเวลาที่จะทำตัวเป็นเจ้าแม่ยั่วไพรให้กับใครได้อีกเลยความรู้สึกตื่นตัวเชิงร่านในเชิงเพศปรลาศนาการลดหายไปหมดสิน้นเหลือไว้แต่เพียงสัญชาตญาณระวังไพรและบุกหนักประการเดียวเท่านั้นนี่เขาจะให้เราหยุดพักที่นี่เลยหรือว่าจะให้พักเหนื่อยกันแค่ชั่วขณะนั้นเนี่ย แม่ผมแดงเอ่ยขึ้นลอยๆสแตนลีย์ดูนาฬิกาข้อมือแล้วเงยขึ้นไปดูท้องฟ้าที่ยังเรืองรองอยู่ด้วยประกายแดดยามบ่ายยังไม่สีโมงเย็นเวลายังพอมีเหลือก่อนตะวันจะรับสันเขาด้านหลังเข้าใจว่าเขาใจเราพักเหนื่อยเพียงชั่วขณะเท่านั้นแหละและที่นี่ก็เป็นที่โลง่งลมแรงมากคงพักไม่ได้หรอก กลางคืนในจะหนาวถึงเข้ากระดูกทีเดียวเพราะไม่มีที่กำบงังแล้วนั่นทำไมเขาถึงไปยืนดูอะไรคนเดียวนิ่งๆอยู่ตรงนั้นทำไมไม่เข้ามาร่วมกลุ่มกับเราเบนรำพึงถามโดยไม่ต้องการคำตอบจากใครเมื่อนั้นสแตลลีจึงยกวิทยุในมือขึ้นกดคีไพรวนันเท่าที่เราเห็นคุณอยู่ในขณะนี้น่ะ คุณยืนเป็นท่อนหินไปแล้วนี่ถ้ายังไม่ได้กลายเป็นหินไปแล้วก็ตอบเรามาด้วยนะคุณรัพินไทวันดูเหมือนเพิ่งตื่นขึ้นจากอาการผวังทุกคนเห็นเขาไหวกายเพียงเล็กน้อยแล้วเสียงพูดเป็นประโยคแรกของวันนี้ก็ปรากฏขึ้นที่ลําโพงของวิทยุมือถือของทุกคนเบื้องหลังโดยไม่ได้เหลียวกลับมาครับด็เตอร์ ทุกคนเป็นไงมากล่ะครับก็ยังหายใจกันอยู่อะแต่หมดกำลังขาแล้วละ่ะให้พักกันได้สักยี่สิบนาทีนี่จะไหวไหมครับไอโคตรมหาโหด ถ, ถ้าจะให้ไปกันอีกอะตอนนี้ก็คงจะคลานตามนายไปแล้วไม่ใช่เดินนะเว้ยคิดสวนตอบมาในทันทีนั้นพลางหัวเราะแคนแ โดยไม่ได้หันกลับมาเช่นเดิมเสียงเรียบเรียบของระพินตอบคำคิดมาว่าสวดอ้อนวอนพระเจ้าเข้าไว้คิดวิญญาณของนายจะได้ไปสู่สวรรค์อย่างสงบคิดแยกเขี้ยวอาปากจะพรุษสวาาด่าออกไปให้เจ็บปวดที่สุดแต่คริสติน่ากระชากวิทยุในมือไปสะก่อนและเป็นคนพูดเองด้วยเสียงเบานุ่ม ครูคะได้ยินเสียงฉันไหมคริสผมได้ยินเสียงคุณชัดทีเดียวแม้จะเบาไปหน่อยเป็นไงคุณเป็นไงบ้างไม่มีใครเป็นอะไรหรอกเพียงแต่ทุกคนอ่ะเหนื่อยมากเท่านั้นวันนี้เราเดินขึ้นที่สูงชันมาโดยตลอดแต่ชั่วโมงเต็มๆเมลยนะครูโดยไม่มีการพักเลยทุกคนทําท่าจะไปไม่ไหวแล้วละ่ะ แม้แต่พรานลูกน้องของครูเองก็ต้องตามเบล่ะเรียบร้อยดีหรือเปล่าเรียบร้อยดีที่สุดและกําลังสวดอ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าที่มีนามว่าระพินไพรวันถ้าพระองค์จะชี้ทางสวรรค์ให้แก่พวกเราก็ขอชี้ทางไปที่สงบที่สุขอย่าให้ต้องทุกข์ญาติทรมานต่อไปอีกเลยอาเมน เสียงอิสเบรตอบแทรกมาอ๋อดีครับดีครับเชื่อแน่ว่าคุณยังไม่เป็นอะไรหรอกเพราะยังมีอารมณ์ขันอยู่คุณพุดละครับเป็นไงม้างผมอยู่นี่พี่สบายไม่ต้องห่วงจะเดินก็เดินกันเชิดพุฒวิทยุบอกไปด้วยเสียงที่พยายามให้แจ่มใสที่สุด สังเกตดูว่าวันนี้ทุกคนจะท้อแท้และทอดอะไรเต็มที่แล้วนะครับแต่ผมมีข่าวดีจะบอกให้ทราบครับข่าวดีอะไรฝ่ายนายจ้างทั้งหมดร้องถามไปเป็นเสียงเดียวกันด้วยอาการไหวตัวพรึบขึ้นพร้อมกันต่ำจากระดับที่ผมยืนอยู่นี่ลงไปคือปากทางเข้าสู่เทือกพระศิวะเราได้บรรลุถึงแล้วครับ ถึงแล้วฮะว่าไงนะสตาลีคีทเชิร์ตวุฒอิสเบลและคริสติน่ากระโดดขึ้นยืนพร้อมกันอย่างลืมตัวเนินพระจันทร์อยู่ข้างล่างนี่เองครับจบประโยคนั้นรพินไพรวันก็หันหน้ากลับมาและยกมือโบกเรียกทุกคนรวมทั้งพรานคู่ใจทั้งสี่คน ของเขา